ว่าอย่างไงาวนาเป็นมาครอบครัวมาจากท่านค่ะระยำท่นยแนะนว่าเขาจะเล่น็นยังไงไม่เคยเล่นหนึ่งเหละอไม่เคยเลยเหรออยากปฏิบัติหรือเปล่า <c oughs> ถามก่อน <c oughs> ถูกเชี่ยวเข็นมาหมเไม่ได้ีเชี่ยวเขวาอ อ, ข อ, อย่างนี้มันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่สมัครใจไหมบังคับันไม่ได้หรอกบางคน ไม่อยากทำบางคนก็อยากทาจริงๆการปฏิบัติมันไม่ใช่อะไรลึกลับรเราชอบไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมคือการต้องทำอะไรยากๆทำอะไรแปลกๆอะไย่างเงี้ยต้องไปอยู่วัดต้องอดข้าวต้องอะไรต่ออะไรเราวาดภาพเยอะไปนะิดนึงการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการที่เราคอยรู้ตัวไว้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 แต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้ให้เราเรียนถึงมิปัสนาให้ได้ลําพังสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าคือสีชีพไทยเขาทาความสงบ ก, กันเก่งๆนะทำํำจนเหาะได้อะไรเงี้ยในตําราว่านั้นนะ อ, อดข้าวทิ้งได้เป็นเดือนๆหนึ่งทาได้แปลกๆนะมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมั น, มนไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นท่านสอนให้เราเนี่หันมาเรียนรู้ชีวิตตัวเอง ความทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงที่กายความทุกขอยู่ที่ใจรู้ลงที่ใจใครรู้ลงไปเรื่อยวันหนึ่งจะเข้าใจเลยว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงทุกวันนี้เรากลัวความทุกข์เราเกลียดความทุกขนะ์แล้วเราอยากหาความสุขแต่เราไม่รู้หรอกว่าความสุขความทุกข์เป็นยังไงมาได้ยังไงไม่รู้เหตุรู้ผลนั่นไม่มีใครจะสอนธรรมะเราได้นะมีแต่กายกับใจนี้เท่านั้นสอนธรรมะเราได้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 เป็นสมบัติของโลกอย่างร่างกายเรานี่เป็นแค่วัตถุธาตุเท่านั้นอาศัยธาตุของพ่อแม่เป็นจุดเริ่มต้นอาศัยอาหารอาศัยน้าอาศัยอากาศอย่างนี้หล่อเลี้ยงอตัวโตขึ้นมาแต่ละวันก็มีธาตุไหลเข้าไหลออกกินอาหารแล้วขับถ่ายนหายใจเข้าแล้วหายใจออกเลยเข้ารู้เข้าดูว่า น, นึงแจ่มแจ้งร่างกายเราเหล่านี้กับวัตถุทั้งหลายเนี่ยอันเดียวกันแหะ ความไม่รู้มันทําให้เราแบ่งแยกเรานี่มาเป็นกายของเรานี่เป็นใจของเร า, ามันมีตัวเราขึ้นมามันก็อยากหาความสุขให้ตัวเราอยากจะสุขสาวอนอยากโยนนอยากอย่างนี้เกิดการดิ้นรนเกิดการตรงแต่งทั้งมากมายเพื่อจะหาความสุขมาให้ตัวเราถ้าเฝ้ารู้ลงไปที่กายเฝ้ารู้ลงไปที่ใจว่าหนึงเห็นตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีการที่ว่ามันมีตัวเรานะี่คือเอาพิชา น, นั่นนี่ความไม่รู้ทุกข์ วิชาข้อที่หนึ่งไม่รู้ทุกข์จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆเป็นแค่รูปนามขันธ์ห้าเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุหรือเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้เป็นของโลกไม่ใช่ของเราเมืเ่อเขารู้กายเขารู้ใจมันจ้เห็นความจริงนะมันจะสลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจไปมันหวงมันรักมันอยากให้ดีอยากให้สุขสาวรเข้ารู้ว่ามันไม่ใช่ของเร า, าเห็น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 มันคล้ายๆเราหยิบเอ า, าของมาหนึ่งเราคิดว่านี่เป็ของวิเศษเลยวันหนึ่งมาหัดสังเกตมันอา้าวมันไม่ใช่ของเดียวอกนี่นะอาจจะเป็นยิ่งจบทุกแก่เลยเนี่ยมันเห็นว่ามไม่ใช่ของดีมันจะสลัดทิ้งคําว่าสลัดทิ้งในภาษาบาลีเรียกว่าปฏิณิสักฆาการสลัดคืนเพืสลัดใจเราจะหมดภาระทางใจแนละ้วมันจะโล่งไปหมดเลยความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจแล้ว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 ถ้าพวกเราละเลยเราไม่เรียนเรื่องการรู้ทุกข์หรือการรู้กาย ร, รู้ใจห่างไกลกับศาสนาพุทธมากเลยอะเดี๋ยวหลงพ่อ ข, ขอตรวจการบ้านคนเก่าๆมาอ้าวโย่ว่าง่าเออดีแล้วนะไปรู้ไปเลยะติดเต้นพูดไม่ออกไปได้แล้วโย่เยอดีขึ้นเยอะเลยนิดห น, นิดเป็นไงยังไปแบกอะไรไว้เยอะแยะ ไ ป, ไปจับทุกข์เอาไว้ก้อนตัวรู้ไปนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางในชีวิตเรานะมีสิ่งที่หมุนเวียนเข้ามาตลอดเวลาเลยเรียกว่าโลกกระทำมีลาบยศสรเสื่อสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกนะไหลเข้ามาทุกวันอะ่ะเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จนเดียเเด๋ยวคนา้าชมเดี๋ยวคน้ากระดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุก เดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดับเพื่อโลกมันเป็นอย่างนั้นนี่เราอยากได้โลกก็ทำฝ่ายเดียวฝ่ายดีเราจะไม่เอาฝ่ายไม่ดีใจเราก็จะไม่เป็นกลางนะงันถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเรานี่เป็นเรื่องธรรมดานะมันมาได้มันก็ไปได้ใจเราเป็นกลางความสุขมาใจเราก็เป็นกลางไม่หลงยินดีหลงละเริงเพืิอเพลินมัวเมา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 อา้าวล็ว่าไงร็อตเฮขาดสติขาดสติก็คือคนตายแล้วค <c oughs> รูอาจาสอนคนปมาทเหมือนคนตายแล้วคำว่าคนประมาทคืออะไร <c oughs> คนขาดสติลืมเนื้อลืมตัวเอย่างถ้าเรามีสตินะเรารู้กายเรารู้ใจก็คล้ายๆเรายังมีกายมีใจยังมีชีวิตอยู่ พอเราขาดสติแนละ้วเราจะลืมกายลืมใจเองมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีเหมือนตายไปแล้วรู้กายรู้ใจไว้นะชีวิตเราเหลือเวลาอีกเยอะอนุมาณเอาหนา้ามาเหลือเยอะเดีย๋ยวจะว่าหลวงพ่อพยากรณว่าอายุยืนยาวเลยประมาทเดินข้ามถนนหลับตาข้ามหลวงพ่อบอกว่าอายุยืนอย่างงนโง่นะ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 เป็ผู้ปฏิบัตินะเห็นมันธรรมดานะปัญหาชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมดาฝึกไว้นะฝึกไว้แต่เด็กๆอย่าขี้เกียจนะขี้เกียจเดี๋ยวหลวงลุงด่าแม่เรานะทำไมไม่อบรมขยันไหมหลวงหลวงลวงุลงบอกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะดูมันก็ไม่ได้แย่อะไรไขยันดูแลนะดีดูไปเรื่อยเจ้าแลมเป็นไงบ้าง รัตมัก็ดูอยู่รัตไม่ได้เกเรอะไรไปดูไปเรื่อยๆนะรัตนิดก็ดูไปนะคุณเป็นสีเช่น พอหักวันแล้วเนี่ยก็จะเห็นในในชุดนันน่ะกะกดรกดัอืมอทแก่เข้ามันก็จะเป็นง้อืมึกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราจะเห็นมันปั๊บปั๊บปั๊บปับป๊บนี้บไม่เห็นทั้งวันอ่ะเห็นได้ทั้งวันนะลืมยืนเดินนั่งนอนก็เห็นตลอดนะที่หลวงพ่อทำไม่ได้ไได้เริ่มมาอย่างของคุณอ่ะหลวงพ่อรู้ความรู้สึกไปเร่แรกเห็นแต่ความรู้สึกหยาบหยาบเช่นโลภโกรธหลง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 หลวงพ่อพุทธเทศใหญ่เลยบอกการปฏิบัติพอขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับยิบยับนะเราก็ทนไม่ไหวอ่ะมันยิบยับทั้งวันทั้งคืนมันทรมานเลยนะท่านเทศให้ฟังเป็นชั่วโมงเลยนะคนตั้งเยอะเลยมันนั้นเต็มกุฏิท่านเลยท่านเจาะเทศสอนเราอยู่คนเดียวเลยทรมานใจไม่ลงอะ่นะเสร็จแล้วเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบวุวเล่าให้ท่านฟังเคยมีอะไรเคยปรึกษาท่าน ท่านเกียจนหมายตอบมาอีกตอมาสองสามบรทัดบอตอนนี้เราไปผ่าตาเราเขียนหนังสือยาวไม่ได้ให้อานหนังสือไปอ่านเอาเองท่านให้หนังสือทําเตรียมพร้อมมาเล่มเบอร์หนเห็นหนังสือแล้วพอใจถามไปนิดหนึ่งนะให้หนังสือเล่มใหญ่มันได้ขี้เกียจนานที่สุดเลยยกมือไหว้ท่านที่เปิดหนังสืออ๋อเจอหน้านี้พอดีเลยนะเนี่ยการปฏิบัติหน้ามีแต่ยิบยับยิบยั บ, ยบเรื่องนี้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 ลำบากไม่รู้จะทําไงน ะ, อะขอทําสมาธิแล้ววันนี้ขอพักผ่อนไว้ก่อนทิ้งสมาธิไปนานเนี้ยนับปฏิบัติทิ้งสมาธิไม่ได้นะทิ้งสมาธิเหมือนมีดชื่อใช้ไม่ได้เรื่องข้าก็เคยทําสมาธิตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบทําลมหายใจมาตลอดนี่กลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกนะพูดโทไปเข้าเข้าพูดออกโทรนับหนึ่งพูดออ ก, โ ท, ออกโทรนับสอง ใจไปยี่สิบแดครั้งนะใจมันรวมลงมาใจมันรวมลงมาเล้วพอมันถอนขึ้นนะมันไปนกระทบไอ้ยิบยับเนี่ยขาดหมดอนะ่ะถ้ามันมีกําลังพอมันจะตัดเพราะงั้นถ้าใจเรารู้สึกดูไปจะแห้งแรงนะก็พักผ่อนบ้างครับถอนดูฟองยุบ ก, ก็ได้พักผ่อนอะไรก็ได้เออไม่เอาเหรอเอาเหรออะไรก็ได้นะ อะไรก็ได้พุทโทก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดน ะ, ะ, ะมนจะกหนดจุดงีอ๋อเพียงเน่อน่อ่เวลาดูตอนแรกก็ดูที่กายตอนต้นต้นเนี้ยกระกกกมดูไปแกาเขาไมไม่ตรงนีอ้องอเขาคุณเ็นสียังมีอันนึงฝากไปดูนะยังประคองไว้ตรงเนี้ยถ้ายัางไม่เลิกประคองก็ไม่เลิกเหนื่อย เะาทำเย็นชินคุณเพนสีนึกถึงสมัยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติออกไหมจิตตอนนี้กับตอนนั้นไม่เหมือนกันจิตตอนนั้นนะมันโลง่งๆว่างๆไม่มีอะไรในจิตตอนนี้มันแข็งๆทื่อๆขึ้นนิดหนึ่งมันเกินปกตินิดหนึ่งแ ต, แต่ถ้าว่าขาแล้วหนูมาตรนนี้กับที่หนูปฏิบัติไม่เหมือนกัน อ, อ๋อไม่เหมือนกันน ะ, ะมาที่นี่รู้สึกว่าจะตื่นตื่นแรกแค่หนู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 ที่แห้งแรงไปเหนื่อยแห้งแรงที่เห็นมันไหวยิบยับที่ยแยบเลยไม่มีกําลังจะตัดห่อกมัมีกําลังแต่ว่าคุณเป็นสีระวังนะทําสมถะไม่ใช่การนั่งคริงทําสมถะ น, นี่นะะนะก็คือการที่เราเระลึกรู้อารมณ์มันเดียวอย่างตอ่อเนื่องรู้สบายสบายต้องสบายนะต้องสบาย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 มีของดีอยู่ในทุกอย่งอาตงต้องถอนตรงนี้อย่าถลำลงไปดูนะอย่าไปจงใจดูถ้าเมื่อไรเรากระโจนลงไปดูเนี่ยผิดละนะคล้ายๆเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วโดดขึ้นไปบนเวทีทําผิดอ่ะดูห่างๆดูห่างๆดูอย่างไม่มีส่วนได้เสียอย่างโลกธาตุยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือจิตใจเรายุ่งเหยิงวุ่นวายถ้วเราเข้าไปดูข้างในไปคลุกวงในนะเป็นดูเกิดดับทางตาโอ้จมูกลืน่นกายใจถียิบลอบกตกัวเดี๋ยวก็เวียนหัว ดูอยู่ห่างๆเหมือนเราอยู่บนยอดตึกอะถนนเนี่ยรถพุ่นวายทั้งถนนเลยเราอยู่บนยอดตึกเนี่ยเรารู้สึกว่ารถเนี่เคลื่อนที่ช้าๆด้วยซ้ำเลยดูไม่ยุ่งเหยิงอะไรธรรมดาแต่ถ้าเราไปยืนอยู่กลางถนนยาวร่ า, าดเนี่ยโอ้จะทําอะไรไม่ถูกอะเวลาดูอารมณ์นะดูเหมือนคนวงนอกดูสบายๆเดี๋ยวคุณเป็นศรีนักหลังนะเขาดูหน่อยว่าธรรมชาติเดิมเป็นไง